จเจรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่9กรกฎ า, าคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภาวะกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาบาเพ็ญบุญกุศลเพื่อมาสร้างบ้านหลังที่สองให้แก่พวกเราพวกเรามีบ้านหลังที่หนึ่งกันแล้วก็คือบ้านทางร่างกายส่วนบ้านทางจิตใจนี้เราอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราได้ทำบุญมากน้อยเพียงไร ถ้าเราได้ทำบุญมากเราก็จะได้บ้านที่ใหญ่โตที่เต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็อาจจะไม่มีบ้านอาจจะเป็นเหมือนคนข้างถนนที่ต้องคอยนอนตามใต้สะพานบ้านตามเรือนร้างบ้านตามสวนสาธารณะบ้านเพราะไม่ได้ทำบุญ ไม่ได้สร้างเรือนใจพระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราสร้างเรือนใจด้วยนอกจากเรือนของร่างกายแล้วก็ต้องสร้างเรือนใจเพราะชีวิตของเรามีสองส่วนด้วยกันคือมีกายและก็มีใจกายต้องการบ้านอยู่ชั้นใดใจก็ต้องการบ้านอยู่ชั้นนั้นและบ้านของใจนี้ จะต้องสร้างด้วยบุญเท่า น, นั้นไม่ได้สร้างด้วยข้าวของต่างๆเหมือนบ้านของร่างกายสิ่งแรกที่เราต้องสร้างก็คือฐานคือการให้เพราะฐานนี้เป็นเหมือนรากฐานของบ้านเป็นเหมือนที่ตั้งของบ้านเราก่อนที่เราจะสร้างบ้านได้เราต้องซื้อที่ไว้ก่อนต้องมีที่ปลูกบ้าน พอมีที่แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือทำที่ที่เราจะสร้างบ้านนี้ให้แข็งแรงเช่นถมดินหรือตอกเสาเข็มถ้าเราต้องการสร้างบ้านที่มีรูปร่างที่สูงที่ใหญ่ถ้าเราไม่มีรากฐานที่แข็งแรงก็จะไม่สามารถรองรับอาคารสูงๆได้ เวลาที่เขาจะสร้างอาคารสูงๆกันเขาจึงต้องมีการตอกเสาเข็งไว้ก่อนเพื่อที่จะทำให้รากฐานที่จะรองรับอาคารสูงๆนั้นมีกําลังมีความมั่นคงพอชั้นใดทานก็เป็นเหมือนรากฐานเหมือนที่ที่เราจะปลูกบ้านของเราปลูกเรือนใจของเราดังนั้นเบื้องต้นเราต้อง ทำฐานกันๆเมื่อกี้ก็มีคนถามว่าเวลาทําบุญให้ฐานนี้จะต้องทําใจอย่างไรก็ขอให้เราทําความเข้าใจว่าเรากําลังเตรียมพื้นที่เตรียมฐานไว้สร้างอาคารที่สูงถ้าเราต้องการได้อาคารที่สูงที่สุดก็คือพระนิพพานเราก็ต้องสร้างฐาน ให้แข็งแรงที่สุดฐานของเราก็ต้องยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงบำเพ็ญเป็นพระเวชสันดรพระพุทธเจ้าทรงสร้างรากฐานของการตรัสรู้ <c oughs> ของการเป็นพระพุทธเจ้าท <c oughs> งการได้พระนิพพานมาเป็นเรือนใจพระพุทธเจ้าจึงไม่มีความเสียดายต่อสิ่งของต่างๆ แม้แต่บุคคลที่พระองค์ทรงรักก็ทรงเสียสละให้แก่ผู้หนึ่งไปได้ด้วยอ น, นิสง์ของทานอันยิ่งใหญ่นี้จึงทำให้ได้ให้พระองค์ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ทำจทานอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็คือสละราชสมบัติของราชกุมารแล้วก็ออกบวช อยู่แบบขอทานไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากไปกว่าอัถบริขารคือของใช้สำหรับนักบวชเช่นผ้าจีวรบาตรเป็นต้นนี่คือสมบัติของผู้ที่ต้องการที่จะสร้างเรือนใจที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระนิพพานจะต้องให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แม้แต่ภรรยาหรือสามีหรือบุตรทิดาก็ต้องสละไปหมดนี่คือการให้ทานอย่างญาติโยมมาให้ทานในวันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวสร้างรากฐานที่แข็งแกรง่งถ้าทำยังไม่มากอาคารที่จะสร้างขึ้นไปก็จะไม่ได้สูงมาก อย่างมากก็จะได้การอยู่อย่างมีความสมบูรณ์คือไม่ขาดตกบกพร่องไม่ว่าจะไปอยู่บ้านชนิดใดก็ตามถ้าเราทำแต่ทาอย่างเดียวไม่รักษาศีลเป็นอย่างนี้บ้านที่เราจะได้ก็จะเป็นบ้านที่ไม่ค่อยดีแต่อย่างน้อยก็เป็นบ้านที่เต็มไปด้วย วาอุดมสมบูรณ์ถ้าเรายัางไม่รักษาสีมีแต่ให้ทานอย่างเดียวบ้านของเราก็จะต้องเป็นนรกบ้างเป็นบ้านของเปรตบ้างเป็นบ้านของเดรัจฉานบ้างแต่อย่างน้อยทานที่เราให้ก็จะทำให้เราไม่ค่อยอดอยากขาดแคลนเช่นถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะได้มีคนดูแล คนเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลให้มีอาหารให้มีที่อยู่อาศัยถ้าไม่ได้ไถ้ทานเลยไม่ได้รักษาศีลเลยนี่ก็อาจจะต้องมาเป็นสุนัขอาศัยอยู่ในวัดหรือเป็นสุนัขจอนจัดตามสถานที่ต่างๆเพราะทานก็ไม่ได้ทำศีลก็ไม่รักษาแต่ถ้าเราทำทาน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 และละเว้นจากการเสพสุรายาเมาควบคู่กับการให้ทานอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาให้กันอา น, นิสงส์จะเป็นบ้านสวรรค์ระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของศีลที่เรารักษาและปริมาณทานที่เราทำถ้าเราทาทานมากรักษาศีลได้มากเราก็จะได้สวรรค์ชั้น เทพที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าเราอยากจะได้สวรรค์ที่สูงกว่านี้คือนอกจากสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ยังมีสวรรค์ชั้นพรหมถ้าอยากจะได้ชั้นพรหมก็ต้องทำทานแล้วก็รักษาศีลแปดศีลห้า น, นี้ไม่พอที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้อย่างน้อยต้องเป็นศีลเป็นศีลศีลแปด หรือศีลสิบเช่นศีลของสา ม, มเณรหรือศีลสองิของพระภิกษุแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมคือต้องเจริญสติเพื่อทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌานขั้นต่างๆถึงจะได้สวรรค์ชั้นพรมขั้นต่างๆ ต, ต้องทำบุญให้ทานต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรม จเจริญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาถ้าทำจิตใจให้สงบได้ก็จะมีเรือนใจเป็นสวรรค์ชั้นพรหมแต่ถ้าอยากจะได้สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหมเป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อมก็ต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งก็คือวิปัสสนาภาวนา การทำความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายของเราเช่นรางยนต์สเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีเกิดมีดับมีมามีไปเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขสุขก็ตอนที่ได้แต่เวลาเสียไปก็จะเกิดความทุกข์มาก มากกว่าความสุขที่ได้มาเป็นไม่ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเพราะสมบัติของเรานี้ต้องเป็นบ้านบ้านใจเรือนใจเรือนใจนี้เป็นสมบัติของเราเราสร้างเอาไว้แล้วมันก็จะเป็นของเราไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้ถ้าเป็นเรือนใจระดับพระอริยะเจ้าคือตั้งแต่ ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปเรือนใจเหล่านี้จะไม่เสื่อมจากเราไปแต่เรือนใจของพรหมของสวรรค์ชั้นพรหมและสวรรค์ชั้นเทพนี้ยังอยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงมีการเกิดและมีการดับไปได้เป็นทุกข์เวลาที่ต้องตกลงจากสวรรค์มานี้ จะเป็นความทุกข์มากและไม่ใช่เป็นสมบัติของเราถ้าอยากจะได้สมบัติของเราเราก็ต้องสร้างเรือนใจระดับพระอริยเจ้าคือต้องรักษาศีลคือต้องให้ทานให้หมดสละทรัพย์สมบัติเข้าของให้หมดแล้วก็ออกบวชเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นแม่ชีก็ได้ เป็นพระภิกษุก็ได้เป็นสัมมนาณก็ได้นักบวชเหล่านี้มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะได้เรือนใจที่ไม่เสือ่อมที่ได้เรือนใจที่เป็นของของตนอย่างแท้จริงต้องออกบวชต้องปฏิบัติธรรมทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ถ้าทำได้แล้วใจก็จะได้เรือนใจตามลำดับขึ้นไปขั้นแรกก็จะได้เรือนใจระดับของพระโสดาบันต่อจากนั้นก็จะได้เรือนใจระดับพระสกิดาคามีต่อจากนั้นก็จะได้เรือนใจระดับพระอนาคามีและในสุดท้ายก็จะได้เรือนใจระดับของพระอรหันต์ก็คือพระนิพพาน ที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเกิดจากการบําเพ็ญบุญบารมีต่างๆเช่นทานบารมีศีลบารมีและการเจริญสมถะและวิปัสสนานี่คือการสร้างเรือนใจเป็นการเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ต่อจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราต้องการให้จิตใจของเรามีเรือนใจอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกภัยต่างๆเราก็ต้องสร้างเรือนใจกันอย่ามัวแต่สร้างเรือนกายอย่างเดียวเพราะเรือนกายนี้มีอายุไม่ยืนยาวนานพอร่างกายนี้ตายไป เรือนกายนี้ก็ต้องหมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปจึงอย่าเสียเงินเสียทองสร้างเรือนกายสร้างบ้านให้ใหญ่โตหมดไปหลายร้อยล้านไม่เกิดประโยชน์อะไรร่างกายต้องการที่อยู่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องมีราคาแพง ไม่จำเป็นจะต้องสวยหรูหรูราใหญ่โตมาโหฬารอย่างมีเศรษฐีในประเทศอินเดียคนหนึ่งสร้างตึกสูงสามสี่สิบชั้นไว้เป็นบ้านอยู่มีครอบครัวมีสมาชิกเพียงสี่ห้าคนเท่านั้นเองแต่ต้องแต่สร้างตึกสูงสี่สามสี่สิบชั้นแล้วก็ต้องมีคนใช้มาคอยดูแล รักษาเป็นร้อยคนการสร้างเรือนกายแบบนี้เป็นการเสียเวลาไปปปล่ า, าเพราะไม่ได้มีไม่ได้เอามาสร้างเรือนใจนั่นเองถ้าเอาเงินที่เราสร้างเรือนกายนี้มาสร้างเรือนใจจะได้ประโยชน์มากกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทาเอาเงินของพระเวชสันดรมา แจกจ่ายให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากที่เดือดร้อนเพื่อที่จะได้สร้างรากฐานอันแข็งแกร่งที่จะสร้างเรือนใจที่ใหญ่โตคือพระนิพพานเราต้องทำเอาพระพุทธเจ้าเป็นตั ว, ตวอย่างอย่าตามตัวอย่างพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายที่ไม่ชอบทำบุญเพราะมีมิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อว่าตายไปแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ไม่เชื่อว่ามีรัางมีใจนอกจากร่างกายแล้วมีใจไม่เชื่อว่าจะต้องสร้างเรือนให้เรือนที่อยู่อาศัยให้แก่จิตใจก็เลยทุ่มเทกับการสร้างเรือนกายแต่พอตายไปก็จะไปแบบขอทางไปแบบ คนที่ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปไปอยู่แบบเปรตบ้างไปอยู่เป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นสุนัขต้องไปอาศัยอยู่ตามวัดตามข้างถนนตามตรอกตามซอกซอยต่างๆเพราะมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเชื่อว่าการทำบุญให้ฐานนี้มีอนดีสงอย่างสม อย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยพระพุทธกาลก็ไม่เชื่อเรื่องการตายไปแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ก็เลยไม่ยอมแจกสมบัติเข้าของเงินทองให้แก่ผู้อื่นแม้แต่ลูกของตนก็ไม่ยอมบอกให้รู้ว่าเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาไปขุดเอาไปเอาไปฝังไว้ที่ไหน แล้วก็ไม่คิดที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลเพราะไม่เชื่อว่าตายไปแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ก็เลยไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลเพราะอยากจะได้เงินมากการที่อยากจะได้เงินมากๆนี้จะทำให้การรักษาศีลเป็นอุปสรรคเวลาทำมาหากินถ้าไม่ได้โกหกแล้วรู้สึกว่าจะหาเงินยากกว่าการ ได้โกหกถ้าไม่โกงรู้สึกว่าจะรวยช้าจะรวยไม่เร็วก็เลยต้องโกหกต้องโกงต้องทำผิดศีลก็เลยไม่ได้สร้างสวรรค์ให้แก่ใจไม่ได้สร้างสเสบียงคือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้กับใจด้วยการให้ทานพอตายไป เนื่องจากมีความห่วงใยในสมบัติข้าวของเงินทองจึงกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองพอดีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จผ่านมาทรงมียานทรงเห็นว่าสุนัขที่เห็นในบ้านนี้อดีตเป็นเจ้าของบ้านแต่พอตายไปแล้วไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ทําบุญไม่ได้รักษาศีล และมีความหวงความห่วงในสมบัติของตนจึงกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงบอกให้กับลูกของเศรษฐีว่าสุนัขตัวนี้เป็นพ่อของเจ้าในอนดีตเลี้ยงมันไว้ให้ดีอย่าให้มันอย่าไปทำร้ายมันเลี้ยงมันให้ดีดูแลมันให้ดีแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติ ที่เศรษฐีคือพ่อของของเจ้ามีมาให้เจ้าหลังจากนั้นไม่นานหมาตัวนั้นก็พาไปขุดสมบัติต่างๆที่เศรษฐีได้ฝังเอาไว้ในดินนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในพระไตรปิฎกไม่ใช่เรื่องกุกขึ้นมาคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคําสอนนี้ เป็นความจริงทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้านั้นรู้ความจริงมากกว่าพวกเรารู้กันพวกเราเมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนคนตาบอดเราไม่เห็นใจของเราเราไม่รู้ว่าใจของเรานี้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะต้องไปเกิดใหม่อีกไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาที่อยู่ใหม่ ตามบุญตามกรรมที่ได้ทำเอาไว้ถ้าไม่ทำบุญทำแต่บาปก็จะต้องไปหาบ้านในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นเปรตไปตกนรกเพราะอา น, นิสงส์ของการทำบาปนี้เองไม่รักษาสินเพราะอยากได้เงินมากๆ เวลารักษาศีลแล้วจะทำได้ยากอย่างพวกนักการเมืองนี่ก็เช่นเดียวกันไม่รักษาศีลกันไม่กลัวบาปไม่กลัวนรกไม่กลัวว่าจะต้องไปเกิดในอบายเพราะเขาไม่เชื่อดังนั้นการหาเสียงของเขาจึงไม่ได้หาเสียงด้วยความซื่อสัตย์สุดจริญทำหาเสียงด้วยความไม่สุดจริญโกหกหลอกลวง ช่อโกงด้วยวิธีต่างๆเพื่อที่จะให้ได้สมบัติให้ได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นสสเป็นผู้แทนพอได้เป็นเป็นผู้แทนแล้วก็ไปแสวงหาตำแหน่งต่างๆเพื่อที่จะได้ช่อลาดบังหลวงเอาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองเอาเงินเข้ากระเป๋าของพวกพ้องของตัวเอง เหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำบาปทำกรรมโดยมิจฉาทิฏฐิคือความความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นว่าตายแล้วศูนไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ตามมาดังนั้นจึงไม่กลัวบาปไม่กลัวการกระทำบาปเพราะกิเลสตัณหาความอยากร่ำรวยอยากมีอานาจ วาสนาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตจึงทำให้กล้าที่จะทำบาปทุกวิถีทางแต่ไม่รู้หรอกว่าเวลาตายไปแล้วนั้นจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมอย่างไรบ้างนี่คือเรื่องของการมีความเห็นผิดเป็นชอบจะทำให้กล้าทำบาปจะทำให้ไม่มีฮิรรโอตปะฮิริก็คือความอาย ส่วนโอต ป, ปะก็คือความกลัวความกลัวผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาปความอายที่ที่เป็นคนทำบาปเพราะสมัยนี้เป็นยุคของคนหน้าหนาเพราะไม่มีความยางอายเดี๋ยวนี้คนบาปกับคนทาบาปกับได้รับยกย่องในสองคมเพราะสังคมนี้เป็นสังคมของคน มิจฉาทิฏฐินั่นเองทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าต้องทำบาปต้องโกงถึงจะได้ดิบได้ดีถ้าทำบุญซื่อสัตย์สุดจริตแล้วจะไม่ได้ดิบได้ดีโลกโลกของเรานี้เสื่อมไปเรื่อยๆตามอำนาจของกำลังของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามีกำลังมากน้อยเพียงไรธรรมะ สิลธธรรมก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเปรียบเทียบกับสมัยปู่ย่าตายายของเรากับสมัยนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าบ้านเมืองของเรานี้เปลี่ยนไปมากสถานที่สมัยก่อนนั้นจะมีวัดมากสมัยปู่ย่าตายายนี้จะมีวัดมากจะมีคนเข้าวัดมากมีคนบวชกันมากแต่สมัยนี้ถึงแม้ว่าจะมีวัดมาก แต่ก็มีบามากขึ้นมามีซ่องโสเพดีมีแหลงอบายามุขต่างๆเพิ่มมากมายกายกองคนเข้าวัดน้อยคนบวชน้อยกันถ้าบวชก็บวชสั้นไม่บวชยาวเมื่อก่อนอย่างน้อยบวชกันทีก็หนึ่งพันษาเดี๋ยวนี้ได้7จวันก็ถือว่าเก่งแล้วบางคนขอบวชแค่เช้าสึกเย็นก็มี เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาความอยากจะหาลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติรักษาศีลธรรมได้นี่คือเรื่องของความเสือ่อมทางจิตใจของโลกเราเป็นอย่างนี้แต่พวกเราไม่ต้องเสื่อมตามไปกับเขาเพราะพวกเรานี้มีบุญหลายอย่างด้วยกัน บุญอย่างหนึ่งก็คือได้เคยทําบุญมาในอดีตบุญที่เราเคยทํามาในอดีตนี้จะผลักดันให้เราไปทําบุญต่อการมาวัดนี้มาทําบุญนี้ก็ไม่มีใครบังคับเราไม่มีใครสั่งเราเรามาเพราะบุญเก่าที่เราเคยทําไว้นั่นเองการมีการได้ทําบุญในอดีตพระพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัส ว, ว่า เป็นคนเป็นมงคลอย่างหนึ่งแก่ชีวิตผู้ที่เข้าวัดด้วยความศรัทธาด้วยความยินดีด้วยความพอใจนี้เป็นผู้ที่เคยได้ทำบุญมาในอดีต <c oughs> พวกนี้คนพวกนี้จะไม่ชอบทำบาป ก, กันเพราะนิสัยมันตรงกันข้ามคนที่จะทคนที่ชอบทำบุญนี้จะทำบาปได้ยากคนที่ชอบทำบาปนี้จะทำบุญได้ยาก คนชอบทาบุญนี้จะไม่ชอบเข้าวัดจะชอบเข้าโรงสุรายาเมาชอบเข้าสถานแหล่งบันเทิงต่างๆจะชอบเข้าไปเล่นการพนันแต่คนที่ชอบเข้าวัดชอบทาบุญจะไม่ชอบเข้าผับเข้าบาร์จะไม่ชอบเข้าบ่อนจะไม่ชอบเข้าตามสถานแหล่งบันเทิงต่างๆเพราะว่ามัน ไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขนั่นเองคนที่ชอบทำบุญเวลาเข้าวันแล้วจะมีความสุขใจมีความเย็นใจคนที่ชอบทำบาปเวลาได้ทำบาปแล้วจะมีความสุขใจแต่เป็นความสุขชั่วเดียวเดเพราะไม่นานหลังจากนั้นก็จะมีความทุกข์ใจตามมาเพราะจะเป็นเหมือนวัวสัต์หลังหวัดมีแผลใจมีความวิตกกังวล มีความหวาดกลัวที่จะต้องไปรับใช้บาปกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้นี่คือเหตุกาสาเหตุอย่างหนึ่งว่าทาไมคนจึงทำบาปหรือทำบุญกันขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทาในอดีตนั่นเองถ้าเคยทำบุญมาก็จะชอบทำบุญถ้าเคยทำบาปมาก็จะชอบทำบาป เช่นพระพุทธเจ้านี้เคยทำบุญมาทุกภพกทุกชาติพอมาเกิดพบได้ชาติใดก็จะทำบุญเสมอจะไม่ทำบาปแม้แต่ในชาติสุดท้ายนี้พระองค์ทรงมีบา ร, รมีมากถึงได้รับการพยากรณ์ไว้ว่ามีมีความเป็นไปได้สองทางคือหนึ่งจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิสองจะได้เป็นพระศาสดา แต่พระ อ, องค์ทรงเลือกเป็นพระศาสดาเนื่องจากพระ อ, องค์ได้ทรงทำบุญรักษาศีลมาตลอดจึงไม่คิดที่อยากจะฆ่าผู้อื่นทำลายผู้อื่นถ้าไปเป็นกรรษัตริย์ก็ต้องไปทำสงครามถ้าอยากจะเป็นมหาจักรพรรดิก็ต้องรุกรานแผ่นดินของผู้อื่นเพื่อที่จะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองแต่ทรงเห็นว่า เป็นการทำบาปทำกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่สามารถจะทำได้ดังนั้นทางของพระธเจ้าจึงต้องเป็นทางเดียวก็คือการเป็นศาสดาให้แก่สัตว์โลกนั่นเองคือการไปตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสั้มาประกาศสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกให้สัตว์โลกนั้น ได้มีโอกาสโผล่ขึ้นมาจากกองทุกข์ให้มีโอกาสหลุดออกมาจากกองเพลิงกองไฟแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงทรงเป็นสาระที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ของสัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเรานี้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติได้มาสร้างเรือนใจระดับต่างๆก็เพราะว่า ความยิ่งใหญ่หรือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในอดีตนั่นเองทําให้พระองค์ได้ทรงตัดสรู้มาเป็นศาสดาของพวกเราแล้วพวกเราก็อาศัยบุญเก่าที่พวกเราได้ทํามาในอดีตพาให้เราได้มาเข้าวัดได้มาศึกษาพระธรรมคําสอนได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน แล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งพวกเราก็จะได้เรือนใจที่ประเสริฐที่ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ได้สร้างเรือนใจได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้มีมามากมายมีมาตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราจึงไม่ควรที่จะต้องลามเลสงสัย และท้อแท้ควรที่พยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอให้เรามองเห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้ว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้สร้างเรือนใจของเรานี้เองดังนั้นเราอย่าไปเสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ขอให้มองว่าเป็นเหมือนกับวัสดุก่อสร้างต่างๆที่เราจะต้องใช้ไว้ไวใช้สร้างเรือนใจของเราเอามาใช้ให้หมดเพื่อเราจะได้เรือนใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือเรื่องของการมาวัดมาเพื่อสร้างเรือนใจจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามมาวัดบ่อยๆสร้างเรือนใจบ่อยๆเพื่อใจของเรา จะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายท้องตวนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุสมผลบุญที่ท่านได้มาบ่งเพนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ